ธรรมชาติของจิตเนี่ยไหลลงที่ต่าตลอดเวลาีถ้าเราปล่อยให้จิตใจไหลลงที่ต่ามาหลาสิบปีแล้วอายุมากแล้วมาฝึกฝึกยากบางทีไม่ไหลลงที่ต่านะบางทีไปทำกรรมฐานแล้วไปเพ่งไว้พอเพ่งมาหลาสิบปีนี่แก้ยากตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพปีแรกๆมีคนหนึ่งอายุ87นะอุตส่าห์มา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 แต่ทางทางจิตใจเนี่ยคนเราจะมีวุธที่ภาวะเต็มที่เงยประมาณอายุ35มสิช่วงที่แข่งที่สุดเลยทาง จ, จิตใจคือประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาไม่เร่าร้อนไม่สุ่มเสี่ยงเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูต้ตอน35มสิเป็นช่วงวัยที่แกข่งที่สุดในทาง จ, จิตใจทางกายเริ่มอ่อนลงแล้ว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 ตธาตุาทั้งหลายเห็นยากนะการจะเห็นร่างกายเข้าถึงความเป็นธาตุเป็นก้อนธาตุแท้เนี่ยดูยากถ้าใจไม่ตั้งมั่นมีสมาธิหนุนหลังไม่เห็นเม <asion ally. S 1> ื่อวันก่อนมีใครหน้ามาบอกว่าเห็นธาตุแอบได้ไหมคุณหน่งหรือใครนี่คือ ภ, ภาวนาไปพระจิตมันรวมนะถอยออกจากสมาธิมาเขามีสมาธิเยอะเขเล่นสมาธิมาก่อนออกมาปุ๊บดูลงไปในกายนะี่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 เงื่อนไฝึกกรรมฐ า, านอย่างสายท่านโกเอนกาสายโกเอนกาเนี่ยก่อนจะมารู้เวทนานะเขาทำสมาธิก่อนัอ น, นั้นถูกหลักเลยหรือสายครูบาจารย์วัดป่าก่อนจะมารู้กายเนี่ยท่านทำสมาธิกันก่อนเนที่ท่านทำถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็ได้ผลง่ายหน่อยทำผิดหลักผิดเกณฑ์มันก็ไม่ค่อยได้ผล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 คนไหนชอบรู้ลมหายใจนั้นก็ทำได้ถ้าดูจิตชำนิชำนานแล้วรู้ลมหายใจก็มีสมาธิง่ายทำอะไรมันก็ทำได้ถ้าจิตมันมีสติแล้วแล้วเลยใช้ปัญญานำสมาธนะิพวกที่คิดมากพวกคนเมืองเมื่อปี 2,526 บางคนอาจจะยังไม่เกิด 2,526 วันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ ด, ดูลท่านก็เปลยเปลยขึ้นมา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 เ, เชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ครับ